วันนี้จะให้พูดอะไรพูดมามากนะพูดมาสิบปีแล้วมั้งปีสามแปดใช่ไหมเกือบจะสิบปีล้นี่หกเดือนนเก้าปีครึ่งนะนับที่หนึ่งเมื <c oughs> อ่อไหร่ <c oughs> มันจะขึ้นฉันสิ มากี่ปีมันก็เหมือนเดิมไม่ยอมขึ้นชั้นอ่ะถึงเวลาสอนลําบากใจไม่รู้ว่าจะเอาหลักสูตรไหนมาสอนเลยเอสูตรอนุบาลเนอสูตรปฐมเนือสูตรมัธยมเนอสูตรดูดอมศึกษาดิพอามาทีไร่ก็ใส่ชุดเดิมมาชุดอนุบาลมาไม่ยอมเปลี่ยนชุดเลย ทำไมไม่ไม่อยากจะขึ้นชั้นบ้างเลยจะอยู่เป็นดา่เทวดา ไ, ไปเรื่อยๆไม่อยากขึ้นไปเป็นพรมมหมบ้างไม่อยากขึ้นไปเป็นโสดาบันสกิดาคามีอาณาคามีอรหันกันบ้างเเอาแต่เทวดานี่แลรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพทัศนศึกษาทัศนธรรม วนนี้เรียกงพวกทัศนธรรมดีกว่าพวกทางโลกเขาทัศนจรพวงนั้นเขาก็ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไปแหล่งท่องเที่ยวของเทวดากันไปตามวัดตามว่าไปทำบุญทำทานผ้าป่ากระถิน วันเกิดวันตายของครูบาอาจารย์ยังอยู่ในอยู่ในขั้นทัศนธรรมอยู่สี็เกาแค่สีนห้าก็ยังดีจงรักษาสีนห้าได้ถ้าเอาแต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาสีนห้าก็ต้องไปอบายยาอบายยาโลกไปเที่ยวในโลกของอบาย ไปพบกับสิงสาลาสัตว์ต่างๆถ้าไม่รักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์ทำแต่ทานอย่างเดียวยังโกโหกยังกี้โกงไม่บริสุทธิ์ทำทานอย่างเดียวก็ได้ทรัพท์ของของเดรัจฉานอย่างน้อยก็เป็นเดรัจฉานที่ดีกับพวกที่ไม่ได้ทำทาน ถ้าเป็นหมาก็ไม่ต้องมาเป็นหมาวัดอพวกเป็นหมาวัดนแสดงว่าทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาพวกที่เป็นหมาบ้านมีเจ้าของคนเอาไปเลี้ยงนี่แสดงว่าเป็นพวกที่ยังทําทานอยู่ทำมากทาน้อยก็แล้วแต่เจ้าถ้าทำมากเจ้าของก็เอาไปนอนที่ห้องด้วย เอาไปเลี้ยงเป็นลูกคนสมัยนี้ไม่มีลูกก็ซื้อหมามาเลี้ยงเป็นลูกปุ้มกอใส่บาตรยังยังจับมาใส่บาทด้วยตวกนี้ก็พวกหมาตัวนี้แสดงว่าได้ทำทานมาเยอะแต่ไม่รักษาศีลเพมาะงั้ก็เป็นนกสวยๆเป็นปลาสวยๆไม่ถูกจับไปต้มไปแกง จะไปใส่ในตู้ให้ตู้ที่สะอาดมาีมีอาหารมีอะไรให้วาให้จินสัตว์ตักนี้ถือว่าได้ทำบุญมาแต่ไม่รักษาศีลก็อะไรอย่างไปไปเป็นเทวดาไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้พวงที่เป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ ไม่ได้ทำทานรักษาศีลนี่ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลได้ได้แต่ยังตนดียังไม่อยากทําทานยังเสียดายเงินเสียดายทองมีคนหลายคนเขาก็เคยถามว่าเขาไม่เขาไม่ทําให้กายเดือดร้อนเขาไม่ต้องทำทานก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนก็ไม่ไม่เสียหายทำทานก็จะได้ ก็จะได้เป็นเทพถ้ารักษาศีลด้วยถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทำทาน mm. ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเท่าเดิมไม่รวยขึ้นไม่จนลงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นต่อไปถ้ารักษาศีนห้าได้ทำทานได้ก็ก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวก่อน ไปเที่ยวในเทวโลกไปอยู่โรงแรมระดับหนึ่งดาวบ้างสองดาวบ้างสามดาวบ้างสี่ดาวบ้างห้าดาวบ้างแล้วแต่ว่าทํามากทําน้อยอทําน้อยก็หนึ่งดาวทํำมากหน่อยก็สองดาวอทําสุดๆเลยก็ห้าดาวก็จะได้รับบริการระดับห้าดาวทุกอย่างโรงแรมก็ห้าดาว อาหารก็ห้าดาวที่ท่องเที่ยวก็ระดับห้าดาวนี่เป็นอนิสงส์ที่จะได้รับจากการทําทานกับการรักษาศีลถ้าเพิ่มอีกข้อหนึ่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้จิตรวมเป็นฌานอันนี้ก็ไปสู่พรหมโลกพรหมโลกนี้ มีความสุขกว่าเทวโลกเทวโลกถึงแม้ว่าจะเที่ยวจะมีความสุขจากการเที่ยวมันก็เหนื่อยไปเที่ยวกลับมาบ้านก็อยากจะนอนเนื่อยเป็นพรหมนี่ไม่ต้องเที่ยวอยู่ในความสงบเป็นความสุขยิ่งกว่าการได้ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่การกระทําทั้งหมดนี้ยังอยู่ในกรอบของอนิจจังยังอยู่ในกรอบของวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะบุญเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นบุญถาวรบุญที่มีการหมดไปได้เหมือนกับน้ํามันรถที่เราเติมเติมน้ํามันรถรถไปขับรถไปเดี๋ยวน้ํามันก็จะ หมดไปก็ต้องแวะเติมน้ํามันใหม่ไปสวรรค์ชั้นโทมะโลกพอบุญระดับสมาธิหมดชาญเสื่อมก็ลงมาเป็นเทวโลกพอเทวโลกบุญที่เกิดจากการทําทานรักษาศีหมดก็กลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเติมน้ํามันใหม่มาเติมเติมบุญใหม่เนี่ย มาทำบุญทำทานรักษาศีลใหม่มานั่งสมาธิใหม่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ผู้ได้พบคพบบุญที่เรียกว่าบุญถาวรบุญที่ไม่เสื่อมในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษาจากผู้รู้ทั้งหลาย แต่ก็รู้เพียงแต่ระดับบุญที่ไม่ถาวรระดับฌานระดับรูปฌานอารูปฌานมีพระอาจารย์สองรูปที่สอนพระอง์ให้เข้าสู่รูปฌานและอรูปฌานแต่ไม่รู้จัก บ, บุญระดับถาวรว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องส่งคนก่าศึกษาด้วยพระองคเอง จนไหนที่สุดก็ไปพบวิธีคือวิปัสสนาสมถภาวนานี้เป็นเป็นขั้นขั้นพรหมโลกวิปัสสนานี้เป็นขั้นอริยขั้นของพระ อ, อริยะเจ้าทั้งหลายต้องเกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระ อ, อริยสัจสเห็นว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากเห็นว่าการที่จะดับความทุกข์นี้ต้องตัดความอยากอยากไปเทวโลกอยากอยู่พรมรโลกเพราะความอยากนี้จะทำให้ใจกระวนกระวายใจไม่มีความสุขจะทำให้บุญที่ได้สร้างไว้เสื่อมลงไปเสื่อมด้วยง่ายของความอยาก เอ็นเป็นพรมบอกปลยความอยากขึ้นมามันก็จะดึงให้ลงมาสู่เทวโลกพอึงมาสู่เทวโลกความอยากความอยากมีเพิ่มมากขึ้นก็ดึงมาสู่มนุษย์โลกเพื่อที่จะได้มาเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะที่เป็นชนิดที่อยากแล้วถ้า ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลเนี่ยจิตก็จะเสื่อมลงไปสูอ่อบายไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่เป็นเรื่องของความอยากถ้าไม่ควบคุมมันไว้มันจะจุดลากจิตใจให้ไปลงให้ลงสู่ที่ต่ำเพราะว่าได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอ แล้วเวลามีอะไรมาขัดขวางเป็นอุปสรรคก็จะแก้ ด, ด้วยการทําบาปถ้ามีคนขัดขวางก็จะหาวิธีกาจัดเขาอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่มีคนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ก่อนอยากจะเอาตำแหน่งเขาอยากจะเป็นเหมือนเขาไปหาวิธีกำจัดเขา โดวยวิธีที่ไม่ไม่สมควรวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมนี่คือเรื่องของความอยากต่อให้มีมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่พอคนที่ร่ำรวยก็ยังทำบาปอยได้ถ้าอยากจะได้มากกว่าที่มีอยู่คนที่เป็นใหญ่เป็นตัวก็ทำบาปได้ ถ้อยากจะได้สูงกว่านั้นใหญ่กว่านั้นนี่เขาจะย่อทรงตัดเห็นเนื่อความอยากนี้เป็นตัวที่ฉุดลากจิตใจให้ลงสู่ที่ต่ำํำไม่ว่าจะพัฒนาขึ้นไปสู่ชั้นไหนก็จะเลื่อนลงมามีมีแต่ผู้ที่ได้เข้าสู่ความสัตั์จริงอันนี้เท่านั้นถึงจะทําให้จิตใจไม่เสื่อมได้ ทำให้บุญที่สร้างไว้ไม่เสื่อมได้ด้วยการไม่ทำตามความอยากอย่างขั้นที่หนึ่งก็จะไม่ทำตามความอยากถึงแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมเสียชีวิตแต่แต่จะไม่ทำบาปยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ไปทำบาปก็ได้ไม่คุ้มเสียได้อยู่ไปต่ออีกสักระยะหนึ่งพอตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายสู้ยอมตายตอนนี้ดีกว่าโดยที่ไม่ทำบาปตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ในกรรมในอบาย พระโสดาบันท่านปิดประตูอบายได้แต่เนื่องจากท่านยังมีความอยากในตาหูจมูกลิ้นกายอยังอยากมีความอยากที่มิจะเสกกรรมอยู่ท่านก็เลยยังต้องกลับมาใช้ร่างกายแต่ก็จะกลับมาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะจะเริ่มเห็นว่าความอยากในกรรม นี่เป็นตัวปัญหาเป็นโทษก็จะหาวิธีกาจัดมันถ้าไม่มีใครสอนก็ต้องใช้ปัญญาของตนเองแต่ทางพระพุทธศาสนาได้มาสอนแล้วถ้าอยากจะกาจัดการอารมณ์ก็ให้พิจารณาอสุภะอย่าไปดูส่วนที่สวยงามของร่างกาย ให้ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่ถูกปกปิดด้วยหนังตลกหนังมอกเลยทำหนังให้เป็นก็เป็นเหมือนกระจกใสเหมือนถุงพลาสติกร่างกาย น, นี้ก็เหมือนถุงพลาสติกที่หอ่อห่ออวัยวะต่างๆเหมือนเราไปตลาดเราไปซื้อเครื่องในของสารใสไปในถุงพลาสติก ดูมันดูตับไตดูกระเพาะดูอะไรกระเพาะหมูกระเพาะไก่ําเนื้อหมูเนื้อไก่ใส่ไปในถุงพลาสติกกระดูกหมูกระดูกไก่ใส่ไปในพลาสติกนร่างกายเราก็อย่างเงี้ยเหมือนกระดูกหมูกระดูกไก่มีมีตับไตมีไส้ลาไส้ถ้าเรา ทำหนังให้มันใสเหมือนถุงวัสติกเราก็จะเห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นแล้วมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเห็นโครงกระดูกโครงกระดูกนี้มีอยู่ในร่างกายของทุกคนจะรูปหล่อจะสวยขนาดไหนมันก็มีโครงกระดูกเหมือนกัน แต่มองไม่เห็นกันถูกผิวหนังถูกเนื้อมันหุ้มหอยเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ตาในใช้ตาในที่เหมือนกับตาเอ็กซเรย์ตาเอ็กซเรย์นี่ก็สามารถมองทะลุหนังได้มองทะลุเนื้อเห็นกองก็ได้ สมัยนี้มีซีทีสแกนก็เห็นอวัยวะต่างๆไนดะ้เห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นลำไส้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่หนังมันหุ้มหอ่อปกปิดเอาไว้อันนี้นหละคือที่จะทำให้หลุดจากการเป็นโสดาบันให้ก้าวขึ้นสู่อสกิดดาคามีสกิดดาคามีก็เห็น เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเวลาพิจารณาก็เห็นเวลาไม่พิจารณาก็ไม่เห็นเออถ้าเป็นอาณาค้ามีก็จะเห็นตลอดเวลาเพราะจิตจะมีกําลังพิจารณาตลอดเวลาพิจารณาจนติดเป็นนิสัยเวลาเห็นขครนี่เหมือนเป็นซีทีสแกนก่อนเลยเห็นเลยก็สแกนตั้งแต่หัวลงมาจะหลดเท้าเออ เห็นนักจารกรลกศีรษะเห็นโครงกระดูกสี่โครงแขนขากระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นเยื่อในสมองศีษะเห็นอาหารใหม่อาหารเก่าเห็นน้าต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลือง น้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมมกน้ำไขข้อน้ำมูดอยู่ในร่างกายนี้ที่ที่หลงไหลว่าสวยงามพอเห็นอย่างชาัดเจนแล้วการอารมณ์มันเกิดไม่ได้นี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้หลุดจากการติด อยู่กับการมีร่างกายเพราะผู้ที่มีการมารมก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้การมารมมันไม่เกิดเกิดมันก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายมันไม่มีเรืองไม่มีแรงที่จะไปเสพกามอะไรไม่สบายใครมาชวนไปทัวร์ไปไป นอกอยู่โรงพยาบาลเพื่อนมาชวนให้ไปไหมห้องกกงสามวันเจ็ดวันไปไม่ไหวเพราะว่าร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันมันไม่มีกำลังมันไม่มีความคความสามารถที่จะทำตามความอยากก็ไม่มีเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดมันไม่อยากจะไปไหนมันอยากจะหายอย่างเดียว แต่เป็นผ้านะก า, ารมีแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเพราะว่าพอไม่มีการอบร ม, มใจมันก็เข้าสู่ระดับฌานไปโดยอัตโนมัติใจมันจะสงบเป็นรูปฌปานเป็นอรูปฌปานไปนี่เป็นฌานด้วยปัญญาจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ต้องอบรมแบบนี้ ปัญญาต้องพิจารณาปล่อยวางกามอารมณ์ให้ได้ละกามอารมณ์ได้ใจก็จะอยู่ในฌานอยู่ในรูปฌานอยู่ในอรูปฌานถ้าร่างกายไม่มีก็จะอยู่ในรูปสวรรค์ชั้นรูปปภูมชั้นอรูปปภูมิชั้นของพระอนาคามีถ้าเกิดยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตายไปก่อน ใจก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่ห้าชั้นเช่นชั้นสุทธาวาสชั้นอะไรต่างๆมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะไปบรรลุที่ขั้นสูงสุดคือขั้นป้าล า, านโดยที่ไม่ต้องกลับมาใช้ร่างกายเพราะว่า ทำขั้นสูงนี้ไม่จาเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าใจไม่ต้องการมีร่างกายใจไม่มีการอารมณ์ใจก็ไม่ต้องการมีร่างกายแต่ใ จ, ใจยังไปติดอยู่กับความสุขของฌานของรูปฌานของอรูปฌานแล้วก็ยังมีความหลงในอัตตาตัวตน มีความหลงที่ยังไม่เห็นอริยสัจขั้นสูงสุดที่ยังมีอยู่ในจิตอยู่ผู้ที่ปฏิบัติก็จะต้องแก้ปัญหาถ้ายังติดอยู่ในรู ป, ปรชานก็ต้องพิจารณาปล่อยพิจารณาว่ารู ป, ปรชานก็ไม่เที่ยมเป็นตายลักมีเจรญมีเสื่อม รูปฌปานก็เหมือนกันเวลาเกิดตัณหาขึ้นมารูปฌปานรูปฌานก็จะเสื่อมลงมานี่ยังไม่ยังไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ยังมีความอยากในความสงบอยู่อยังอยากให้สงบไปอย่างถาวรแต่ความสงบของจิตในเวลารามนี้มันไม่สงบอย่างถาวร เพราะมันยังมีกิเลสมีอวิชชามีมีมานะมีตัณหาที่ยังอยู่ในใจเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อละตัวความอยากความอยากที่ยังมีอยู่ในใจไม่ว่าใจอยู่ในรูปแบบไหนก็ต้องหยุดมันให้ได้ อยากบรรลุก็เหมือนกันอยากบรรลุก็ทำให้จิตไม่สงบอย่างพระอนอนนี่ก็อยากจะบรรลุอยากบรรลุถ้าเร่งความเปลี่ยนสุดขีดมันก็ไม่ยอมบรรลุเพราะยังมีตัวความอยากบรรลุขวางอยู่พอไม่อยากบรรลุปับก็บรรลุเลยเนี่ยจิตของพระอนนทท่านอยู่ขั้นานาคาเมีแล้วคืนสุดท้ายที่ท่านยังไม่ได้บรรลุ คืนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ส่งทำนายว่าอานนท์เธอจะบรรลุภายในสามเดือนสามเดือนก็มาถึงแล้วเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างพอสว่างก็แสดงว่าผ่านสามเดือนไปแล้วอานนท์ก็รีบเร่งความเพียรเดินจยมกมั่งสมาธิพิจารณาอะไรต่างๆเห็นไปหมดว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังของนาัตตา แต่ก็ไม่รู้บรรลุเพราะจิตอยู่ที่อยากจะบรรลุเพราะพระุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะต้องบรรลุในคืนนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่บรรลุไม่รู้จะทำไงจะให้มันบนรรลุทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุก็ไลยยอมแพ้ยอมรับความจริงว่า ไม่มีวันไม่ไม่ไม่บรรลุน่พระพุทธเจ้านี่พยากรณ์ผิดแน่พอล้มตัวลงจะนอนเลยก็บรรลุตรงนั้นเลยอยู่ระหว่างท่านั่งกับท่านอนกำลังจะนอนนั่งอยู่กำลังจะนอนใจก็ปองหมดนอนไม่ได้บรรลุแล้วไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้ไปสังฆยานากับเขาแล้วเขาจะมีพิธีสังฆยานาในวันรุ่งขึ้น พ่เราไม่ได้เป็นพระอหรหันต์พอละความอยากเป็นพระอหรหันต์ได้ละอุทธจจะได้อุท จ, จะก็คือความความเพียนกล้าเพียนเพื่อที่อยากจะให้จิตบรรลุทำคขั้นสุดท้ายแต่เพียนเกินไปก็เหมือนกับการขึงสายผินขึนงเตึงเกินไปมันก็ขาดก็ถ้าไม่เตึงมันเลย ไม่ปฏิบัติเลยรอให้มันบรรลุมันก็ไม่บรรลุอีกจะไปบีบบังคับให้มันบรรลุมันก็ไม่บรรลุอีกมันต้องคงกลางต้องรู้เฉยๆต้องดูเฉยๆว่ามีความอยากหรือเปล่าถ้ามีความอยากก็ต้องหยุดมันอยากไปอยากไม่ว่าจะอยากเป็นหมืออยากอะไรทั้งนั้นอยากเป็นอยากมี อยากอยากให้สุขอยากให้มันสงบมันไม่สงบก็อยากให้มันสงบนี่ก็เป็นความอยากมันไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบมันสงบก็รู้ว่ามันสงบมันสงบก็อยากก็อยากให้มันสงบไปตลอดเพราะมันยังไม่เป็นความสงบที่ถาวรมันยังเป็นระดับชาญอยู่ระดับรูปรฌานอรูปรฌานอยู่ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางสกแต่ว่ารู้เท่านั้น พอผ้าน่อนปล่อยวางนะเพียนมากเกินไปเพียนยังกระทั่งไม่บรรลุแล้วไม่รู้จะเพียนยังไงต่อไปแล้วจิตฟุ้งแล้วอุทน จ, จะขึ้นมาก็อะไรหยุดหยุดฟุ้งเพราะหยุดฟุ้งมันก็บรุนแล้วความอยากความอยากที่จะบรรลุก็นี้ก็คือทำที่ไม่เสื่อม เป็นของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นผู้สรงคนควา้าส่งค้นพบถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนทมเหล่านี้จะไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงสามารถที่จะเห็นธรรมขั้นสูงนี้ได้เห็นธรรมเห็นธรรมขั้นถาวร น, นี้ได้นอกจากนั้นแล้วไม่มีทาง แม้แต่พระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปก็ได้แค่ระดับอรูปฌานกับรูปฌานพองหลังจากทร ง, งตัดสัรู้แล้วก็นึกถึงพระอาจารย์สองรูปนี้เลยอยากจะเอาข่าวดีนี้ไปไปแจ้งให้ท่านทราบ <c oughs> ก็ทราว่าท่านองค์หนึ่งเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้อีกองค์เพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าเสียดายเพราะว่า สรง์นี้จะไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเกิดแล้วมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกหรือเปล่าหรือเมื่อไหร่ถ้าไม่มีปัญญาบา ร, รมีแก่ก้าพอจนสามารถเห็นได้ด้วยตนเองก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอไปจนกว่าจะมาเกิด มาพบพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมีโอกาสดีกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าออาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็คงอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่เพผู้ที่ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเนี้ถ้าว่าจะอยู่เป็นอายุเป็นหมื่นปีเป็นหมื่นเป็นพันปีขึ้นไปนี่ศาสนาพูดแค่แค่สองพันห้าร้อยกว่าปีท่านยังคงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นลย พอกลับมาเกิดเกินห้าพันปีหมดเป็นศรัทธาพระพุทธศาสนาก็ละก็ต้องได้เรียนจากผู้ที่รู้แค่ระดับแค่ชาญเท่านั้นเองแค่รู ป, ปรชาญอรู ป, ปรชาญก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่พวกที่มาเกิดแล้วได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถือว่ามีโชควาสนามากคับ ได้สิ่งที่หายากานานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการตอบเจริญของพระพุทธเจ้าเป็นกลับเป็นกันในแต่ละครั้งนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะนำเอามาพิจารณากันว่าพวกเราไปถึงไหนกันแล้ว เรายังอยู่กับบุญที่ไม่ถาวรหรือว่าเราอยู่กับบุญที่ถาวรแล้วตอนนี้มีทางพาเราไปสู่บุญที่ถาวรถ้าไม่ไปเดียวตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็อาจจะหมดไปไม่หมดก็ยังมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เคยเป็นอย่างไรกลับมามันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ เหมือนตอนนี้เป็นยังไงไปเที่ยวกลับมามันก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้มันต้องปลุกระดมอต้องยุต้องดันมันถึงจะไปทางนี้ถ้าไม่ไม่ดันมั น, มนไม่สั่งมันไม่บังคับมันมันไม่ไปเห็นเราต้องโหดกับตัวเราเองเราโหดกับคนอื่นมาล้มากแล้วโหดผิดคน ต้องโหดกับตัวเราอย่าไปโหดกับแฟนโหดกับเขาทำไมโหดแล้วเขาได้ดีเราไม่ได้ดีต้องโหดกับตัวเราชอบไปโหดกับลูกชอบไปโหดกับแฟนชอบไปโหดกับลูกน้องแต่กับตัวเองนี่แหมสงวนแล้วเกินรักเหลือเกินแตะไม่ได้บังคับให้มันนั่งสมาธิไม่ได้บังคับมันไปอยู่วัดไปเปกเว่ๆมันไปไม่ได้ทั้ที กลัวมันจะโกรธเนะกลัวแล้วเดี๋ยวมันจะควาดหางควาดงวงควาดงวงขึ้นมาพ อ, พอใจโกรธนี่แหม่ไม่มีความสุขเลยไห่ต้องตามใจมันอา้าวอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะดูก็ดูอยากจะฟังก็ฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานกเอาตามใจมันทุกอย่าง แล้วมันไปไหนล่ะมันก็อยู่ตรงนี้มันก็ต้องดื่มต้องเที่ยวต้องอะไรไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆสิบปีที่แล้วกับสิบกับวันนี้ก็ไม่ไม่แตกต่างกันตรงไหนเพราะเราไม่ไปอถักมันเหมือนกับรถรถที่ไม่มีเครื่องยนต์มันไม่วิ่งเองจะทำไงรถมันไม่วิ่งเองถ้าเราอยากจะให้รถมันวิ่งเราก็ต้องดันมันเลยเข็นมัน เหนมันไปที่ปั๊มน้ามันจะได้เติมน้ามันก็ไปติดเครื่องไปหาช่างให้ช่วยติดเครื่องให้อันนี้ก็เหมือนกันจิตลําไม่ยอมไปทางนี้จะทำไงมันไม่ยอมภาวนาเมันไม่ยอมไปปีกวิเวกกันไม่ยอมถือสีงแปลกกันจ้าแต่สียงห้าจ้าแต่ทานมีงานที่ไหนนี่โอ้มันไปทั่วไปหมดเนี่เชื่อเหนือล่องใต้ไปได้ทุกคนทุกแห่งถ้ามีงานเี่ย งานบุญที่ไหนไ ม, ไม่ไม่ท้อไม่ถอยสู้หมดมีมีความเพียรอยู่แต่เพียรไปแค่ระดับแค่ระดับทานนั้นระดับทานระดับศีลห้าพอให้ระดับศีลแปดระดับปิกเว้ยๆนี่ขดถอยดถอยดถอยหมดแรงเข็นรถขึ้นเขาไม่ไหวถ้าเขียนบนทาง ทางเลาะทางลากก็โอเคอยังพอเข็นได้พอต้องเข็นขึ้นเนินขึ้นเขานี่โอ้โหมันต้องใช้กำลังมากกว่ารักษาศีลห้ากับรักษาศีลแปดนี่มันต่างกันไปทาบุญทาทาน ท, ท, ทำวัดวารามต่างๆกับการไปเปกี่ยวเว่ยๆนี่มันต่างกันนะ ม, มันต้องใช้พลังพลังทมต่อสู้กับพลังของกเกเรมาก กิเลสมันจะชุดจะลากเราให้ออกไปทางตาหูจมูกลิล้นกายเราจะเดึง ม, มันเข้ามาข้างในถ้าเราไม่มีวิริยะไม่มีสติดึง ม, มันไม่เข้างั้นถ้าอยากจะให้มาทางนี้เราต้องฝึกสติกันตั้งแต่บัดนี้ไปฝึกได้ทุกวันฝึกได้ขณะทาทานฝึกด้ขณะ รักษาศีลห้านี้ได้สตินี้ไม่บังคับให้ก็จะต้องถือศีลแปดให้มีพุทโธอยู่ในใจลไปทั้งวันทั้งคืนเอตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นมาก็ให้มีพุทโธกํากับอยู่กับใจควบคุมใจถ้าเป็นวงดนตรีก็ต้องมีผู้กํากับวงถ้าไม่มีผู้กำกับวงนักดนตรีมันก็เล่นกันมั่วไปหมดเล่นกันไม่เป็นเพลงสังเกตไหมวงดนตรีที่เขาเล่นกันเป็นเพลงนี้ก็ต้องมีผู้กํากับ ยืนถือไม้ยกมายกมือคนนี้เล่นเสียงนี้คนเล่นนี้เล่นตอนนี้พอมีคนกำกับมันก็เล่นกันเป็นเสียงเดียวกันฟังแล้วก็ไปเราะหูเวลาที่ผู้กำกับยังไม่ขึ้นเวทีนี่ลองฟังดูงคนนั้นก็ดีดไปทางคนนี้ก็ดีดไปนะทางเป่าไปทางพอผู้กำกับก็มาปั๊บยกมือขึ้นปั๊บทุกคนจ้องอยู่ที่ผู้กำกับนะ อันนี้เราต้องมีสติเนี่ยนี่หละผู้กากับวงของเราผู้กากับใจของเราก็เกิดสติถ้ามีสติแล้วมันจะไปทางเดียวกันหมดมันจะไปทางธรรมมันไม่ไปทางตาหูจมูกเล้นกายมันจะเข้าข้างในได้เข้าสู่ความสงบได้เข้าพอมีสติเข้าสู่ความสงบได้ไดนี่ร่างสารสินแปดนี่ไม่ง่ายจะตายไป ที่รักษาสินแต่ไม่ได้ก็เพราะไม่มีตัวคอยคุมไอ้ลิงห้าตัวเนี่ยลิงที่มันชอบไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจับลิงห้าตัวนี้ด้วยมือเปล่าจับยากต้องมีเชือกคล้ อ, องค อ, งองมันแล้วก็ลากมันเข้ามาเห็นหาเชือกแล้เตรียมหาเชือกถ้าอยากจะถ้าอยากจะเข้าสู่ธรรมที่ถาวรถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราทุกเวลานาทีเี่ยต่อไปก็แก่ไปไหนไม่ได้อยู่บ้านเจ็บ่ข้ได้ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นยี้ไม่ไปตัวที่ไหนแล้วไปตัวที่โรงพยาบาลไปหาหมอไปหาพยาบาลไปหาอยู่้ายาในที่สุดก็ไปวัดครั้งสุดท้าย ไปแบบไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไม่ภาวนากันไม่เข้าสู่ธรรมที่ถาวรกันอาจไปเดี๋ยวว่ากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเส้นแท น, นต้องปลุกบปลุกระดมตัวเองพยายามสร้างผู้กำกับขึ้นมาให้ได้ ผู้กำกับจะดึงใจให้เข้าข้างในสติจะดึงใจให้เข้าข้างในพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองอ่ะขอให้พ่องพุทโธไปทั้งวันดูเถิดคิดทั้งวันคิดอะไรยังคิดได้คิดคําว่าพุทโธคําเดียวคิดไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นความคิดเหมือนกันคิดหาขนมมันก็เป็นความคิดคิดพุทโธมันก็เป็นความคิดคิดหาขนมมันก็ต้องไปไปหาขนมมากินถ้าไม่ได้กินก็ หงุดหงิดลำคานใจถ้าคิดแต่พุโทโธพุโทโธมันก็ไม่ต้องไปหาอะไรมากินมันก็ไม่หงดหงิดลำคานใจมันเย็นสบายอาหารใจกับไม่เอาชอบเอาอาหารกายชอบเอาอาหารกิเลสอาหารกิเลสให้มันเท่าไหร่มันก็ไม่พอกินเดีย ว, เ ด, ยวเดียวเดียวอาอีกแล้ะกินแล้วก็อยากจะเดิม่มเดิมแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะนอน พอตื่ขึ้นมาก็ห่าอีกแล้วอยากจะดื่มอีกแล้วอยากจะกินอีกแล้ ว, วนวียอยู่อย่างเนี้ไปไม่มีวันจบสิ้นเป็นท่าของความอยากไปตลอด <Okay. S 1> ไม่มีวันที่จะมีอิสระภาพไม่มีวันที่จะอยู่เฉยๆไม่ต้องมีใครมาคอยเรียกมาคอยสั่งให้ไปหานั่นมาให้หน่อยสิหาขนมมาหน่อยหาเครื่องดื่มมาหน่อย พอไม่หาก็ถูกเขาสร้างความทุกข์ให้นี่แะถึงที่เราต้องทำนอกจากทำทานรักษาศีลแล้วต้องภาวนาต้องถือสิลแปดจะถือได้ก็ต้องมีส ต, ติตอนนี้พยายามฝึกสติกันไปลองเปลี่ยนวิถีชีวิตจิตใจของเราใหม่อย่าปล่อยให้จิตใจไหลไป โดยไม่มีใครครวบคุมบังคับเอาสติมาควบคุมบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าเดี๋ยวมันก็จะมีกําลังรักษาสิ้นแปดได้มีกําลังที่จะนั่งสมาธิได้พอมันได้แล้วที่มันก็จะไปได้สมาธิมันก็มีกําลังที่จะพิจารณาออารยสัจสีพิจารณาตายรักได้ ก็ขอให้พวกเราจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจเพื่อที่จะได้เริ่มต้นรอบสิบปีที่สองนี้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสากรางเอวเมวะอิโตทินังเปตานังโอปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันทูปนะระสสยะถามณิโชติ อราโสยทธาสพพพิตโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายยโภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวทาติอายุวโนสุขางภาลั อ, อนุญาตครับมีมีมีคนหนึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อเขาไอไอรู้จักชื่อเขาชื่อคุณเฉลิมพลรู้จักตอนที่ได้คุยกันนะฮะอันนี้ก็ให้เลขาเขาโทรมาหาผมผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครแต่กำลังเขาบอกเขาชื่อเฉลิมพลเขาเขาอยากจะสร้างอพระพุทธรูปหนึ่งองค์แต่ผมบอกว่าอ่าเสร้างเป็นทองเหลืองอะไรไม่ใช่เขาบอกเขาจะไปซื้อหินจากอ เขาสามร้อยอดที่อะไรอะไรประจวบนะฮะเขาบอกว่าหินเนี่ยก้อนหนึ่งต้องเป็นล้านแล้วก็เขาจะไปจ้างแกะสลักแล้วก็จะให้ผมเนี่ยมอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นผู้หาที่ที่ว่าที่วัดไหนจะรับอันนี้พอดีผมผมก็มามามานั่งนั่งมองไปที่นู่นที่ที่ท่านอาจารย์เคยบอกผมเมื่อตอนที่สร้าง ศาลาเนี่ยอาจารย์บอกข้างหลังข้างล่างไอ้เชิงบนน่ะจะจะเอาไว้วางขบถุนรูปหน้าปกแล้วก็แล้วก็เวลาคนมาออาจารย์จะสอนภาวนาอะไรจะขึ้นไปสอนข้างบนนู้นแต่ก่อนนี้อาจารย์เกิดป่ารบไปอย่างนั้นอันนี้ผมก็นึกได้เรื่องนี้ยผมก็อะไรกลับเรียนฐานอาจารย์จะเอาไหมเออไม่เอานะต้องน่าจะไปถวายที่วัดด่านนะเพราะท่านชอบถินนะ ท่านมีเห็นอ่าวัดด่านถ้ามีเห็นชื่อแกะสลัดที่ผมก็ยังไม่ได้ถามวัดไหนเนี่ยผมเพิ่งนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นห้าวันแล้วฮะอ่าผมก็ผมก็นึกไม่ออกไม่ไ้ไปถามแล้วก็ดูผ ม, มานี่ว่าองอ้าวพอดีมันไม่ได้ใช้เสร็จแล้วมั เ, เพราะญาตยไม่ยอมไปมาที่ไรก็ขึ้นหลังนี่เขาเขานั้นด้วยคนที่เขาเขาพิการด้วยเขาเขาใครเขาผมบอกให้ไปไหมไปดูสถานที่ในการคุณชอบวัดไหนผมพาไป ไปดูสถานที่ชอบวัดไหนคุณเอาไปลงวัดนั้นอย่างนี้เขาบอกไม่เอาเขามอบมอบให้ผมเลยเ้าบอกมอบผมเป็นผู้ผู้ผู้ตัดสินใจเลยแต่เขาเขาจะเป็นผู้ออกสตังค์ทำเองถ้าคุณชายก็ลองลองดูในวัดของครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เราชอบนิสัยของหลองตาท่านไม่ชอบวัดถั่วแตนเมษนี้มันว่าผมผมไม่ใจจริงผมก็ไม่กล้าพูดเขานะฮะเพราะว่าเอคุณถูกถูกเขาหลอกก็เบา เขาหินพระธาตุเนีผมย่มเงเกเพิ่งเคยเห็นไอ้เพเคยได้ยินหินพระธาตุมีจริงหรือเปล่าก็ห็นนอนนี่แหละเขาตั้งชื่อมันไปเองนั่แต่ถูกบระทานมันก็ธาตุดินเหมือนกันธาตุดินจะมาเป็นหินก้อนใหญ่โตให้เขาแกะสลักได้หรนอเปเป็นไปไม่ได้ผมก็ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมก็ผมก็ผมก็ว่าอย่างงี้นะผมก็แต่ผมก็ไม่ได้ไปค้านเขานะเพราะว่าเขาเขาเชื่อมั่นว่าคน ที่มีหินก้อนนี้อ่าประวัติของหินพระธาตุเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยแกไปเอาไปนิดหน่อยไปพกเนี่ยเป็นสิริมงคลแล้วก็การสิงสาราสตว์ได้อะไรได้นะฮะก็ว่างั้นอ่ะผมก็ฟังฟังอ่ะฟังฟังเขาเขาก็ไม่ได้ไปขัดใจเลยขาแต่ว่าที่เขาจะให้ผมหาวัดเอามาไว้เนี่ยผมก็ยังผมก็ยังอ่ายังยังยังไม่รู้จะไปหาที่ไหน ใช่ฮะแล้วผมก็ผมก็กลัวอยู่สมัยนี้ <c oughs> กลัวคนมาหลอก <l acht> เออ <c oughs> เดี๋ยวพูดไปพูดมาเอ๊ะอย่างงั้นเรามาลงทุนกันไหมอะไรเงี้ยผมว่าไม่เอาด้วยได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะผมก็กลัวแต่ว่าอันนี้เขาไม่พูดเลยนะฮะคนนี้เขาไม่พูดเลยเขาเขาบอกโอผมทํามาเยอะแล้วทํามาหลายสิบล้านแล้วเราเขาอยากอยากจะทําอันเนี้ยรอพระผมไม่เอาแล้วผมจะทําอันนี้เนี่ยคุณช่วยช่วยหาให้ผมแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ผมไว้ แล้วเขาขอเบอร์โทรศัพท์ผมไปแล้วก็เขาบอกได้ได้ที่ได้แล้วที่จะเอาไว้แล้วก็บอกเขาเขาจะได้จัดการพางั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าพอดีนั่งนั่งมองกปว้าเออ่าอาจารย์เคยปา ร, รบไว้สมยัยก่อนนี้เพอคิดว่าญาติโยมก็จะมากันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยต้องทำที่ขยายพอดีมันไม่ได้เป็นไปตามที่เรา คิดไวเพราะว่ามีวิธีใหม่ก็คือนั่งกันตามลานแล้วก็เอาไม่เอาเครื่องเสียงไปตั้งไว้แทนก็เพราชอบแบบนี้มันดีกว่าแบบข้าข้างบนมันก็จะเข้าไปเบียดกันอย่างนี้ก็นั่งกันได้<ช>ก็จัดกจ็จัดไปก็เลยเลยตามเลยเราไม่ได้ยึดติดกับความคิดของเรามันเป็นยังไงก็เป็นฝ่ายตามเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรผมก็เลยเน้ึกได้ก็ลอง อาอจารย์ถามวาใครมีอะไรพูดถามว่านเรื่องนี้ผมไม่ได้กล้าเบื่อไม่ไม่อาจารย์ไม่รับแล้วผมก็ยังเฉยเฉยอยู่เพราะผมบางวัดผมดูดูแล้วอยากได้แต่ผมไม่อยากให้อะอเพ<อ>ราะว่า <ๆ S 2> มันมันรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไม่ใช่พอเห็นรูาพอกขึ้นชัวร์หินพระธาตุแล้วจะเอาไม่ใช่ยงง อ, อ, ย อ, อ, ยอย่างนั้นมันต้องเหมาะสมด้วยสถานที่อะไรตายน่าเหมาะสมด้วยใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าเนี่เราก็มีเห็นพระธาตุเต็มไปหมดเนี่ะก็ขออนุโมตนาแล้วคุณชายยังจำได้เนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยมีคนฝากถามค่ะพระอาจารย์มีน้องเขาฝากเงินไว้ แล้วมาเอาคืนไปบอกว่าจะเอาไปทำแท้งยอมจะมีส่วนทำบาปด้วยไหมเพราะเหมือนกับรับรู้ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรแต่มันเป็นเงินของเขาที่เขาฝากไว้เงินของเขามันได้เป็นเงินของเราเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนธนาคารเนี่ยเราใครเอาเงินไปฝากไว้แล้วเอาเงินไปซื้อไปจ้างคนฆ่าธนาคารก็ไม่มีส่วนรับรู้ด้วย เขากังวลค่ะว่าเขาไม่ส่วนรับรู้ว่าคนนี้จะไปทำก็ถ้าเขาอยากจะทําความดีก็ลองพูดธรรมให้ก็ฟังว่าการไปทําแท้งนี่มันบาปสอนธรรมะให้เขาถ้าเขาเชื่อก็เป็นบุญของเขาแล้วก็เป็นบุญของเราเราก็ได้บุญจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเขาก็ได้บุญจากการไม่ฆ่าไม่ทําบาป แต่เรื่องเงินของเขามาฝากเรานี้มันไม่เกี่ยวกับเรามีข้อเดียวแหละจริงๆมีคจริงๆ ม, มีคำถามตกค้างจากวันที่สิบก็ถามมาด้ค่ะนี่เป็นคำถามตกค้างจากวันที่สิบนะคะจากคุณโคโค่ u t b แบ็ปกติปฏิบัติพุทโธหากทำได้ถึงความตื่นสงบมักจะพิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงสภาวะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางครั้งเร็วมากจนตามไม่ทันติดใจตรงที่ว่านั่งแต่ละครั้งก็เจอสภาวะเดิมๆฟุ้งสุกเฉยสงบตื่นเบิกบานวนไปวนมาเป็นเรื่องปกติไหมคะคือไม่ปกติหรอกถ้านั่งสมาธิมันต้องสงบอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าปกติจิตต้องรวมแล้วก็สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แล้วเวลาถอนออกมาแล้วค่อยว่ากันใหม่เรื่องของการเจริญปัญญาแต่ในขณะที่จิตสงบรวมอยู่นี้ไม่ควรที่จะให้ไปทำอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จิตถอนออกมาก่อนแล้วค่อยกํากับบังคับให้มาเจริญปัญญาถ้าไม่คอยกํากับมันก็จะไปเจริญปัญหาแทนแต่พิจิดถึง สิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เช่นพอคิดถึงร่างกายก็อยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่สอนใจให้คิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองให้คิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญา จากท่านเดิมนะคะข้อสองไปปฏิบัติธรรมมาที่สอนสติปัฏฐานสี่แล้วก็ทำไปจนมีอยู่ช่วงหนึ่งนั่งแล้วรู้สึกทุกอย่างหายไปหมดดับไปหมดคล้ายๆกับหลับไปไม่ฝันไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีความทรงจำรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกแค่ว่ามีบางช่วงที่ขาดหายไปแต่รู้สึกจิตสดชื่นเบาสบายมีความสุขมากตรงนี้ไม่เข้าใจว่าอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และอยากให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆได้ไหมคะถ้าทุกอย่างหายไปหมดก็แสดงว่าหลับถ้ามีตัวรู้อยู่ก็แสดงว่าเป็นสมาธิถ้าอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำแบบที่เราทำอยู่ <c oughs> คือต้องเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือวิธีที่ทำให้เป็นอย่างนี้ก็ทำไป แต่แต่ว่าต้องแยกแยกให้ออกว่ามันเป็นการดับหรือว่าเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธินี่มันจะรู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตฟุง่งซาเมื่อกี้นี้จิตบริกรรมพุโทโธพุธโทโธแย่นี้จิตนิ่งสงบสบายไม่ต้องพุโทโธอยู่เฉยๆได้มีความสุขอย่างนี้ก็เป็นสมาธิ แต่ถ้าแบบว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีสดชื่นก็อาจจะได้พักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมาก็สดชื่น <c oughs> ก็ต้องรู้จักแยกแยะอ่ <c oughs> ข้อต่อไปจากคุณณนะานตาลมนะคะขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิพุทโธไปสักระยะหนึ่งพอเรานึกถึงลมหายใจมันก็ค่อยถอนหายใจอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราไม่นึกถึงก็ไม่เป็นไรพยายามไม่นึกถึงแต่จิตวกไปนึกถึงเองทุกทีไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรคะการนึกถึงลมหายใจก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วควรจะคือไม่ควรจะนึกควรจะดูดูลมจริงๆเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นการเจริญสติก็เป็นการดึงใจผูกใจ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่คิดเรื่องราวต่างๆนใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้าไปนั่งลงไม่ได้ทำอะไรจิตก็จะรวมได้รวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ดีที่สุดอันนี้ต้องมีอะไรผูกใจดึงใจเขาถ้าปล่อยให้ใจเออละเหยไม่มีอะไรก็อาจจะ คิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ได้โดยที่สติเราอาจจะรู้ไม่ทันก็ได้อืมเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังไม่รวมนี่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งคอยดึงใจให้เข้าไปให้ได้จะปล่อยให้ใจเข้าไปเองนี่มันไม่เข้าออต้องมีพุทโธหรือต้องมีลมหายใจเข้าออกคอยกํากับใจแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้พอเข้าไปแล้ว ลมหายใจมันก็การดูลมก็จะหยุดไปเองหรือการบริกรรมพุทโธก็จะหยุดไปเองเพราะไม่มีความจําเป็นแล้วจิตนิ่งสงบจิตไม่คิดปุงแต่งแล้วแต่ถ้ายังคิดปุงแต่งอยู่ยังไม่นิ่งไม่สงบก็ยังต้องมีอะไรคอยกํากับมิใช้พุทโธกํากับไปใช้การดูลมหายใจเข้าห อ, อกํากับไปต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมจิตจะสงบถึงจะ หยุดการจจรัญสติได้ค่ะคำถามต่อข้อต่อไปจากคุณตวงรัฐรักในหลวงนะคะเมื่อเราบาังเอิญไปคบหาคนที่มีจิตใจริสยาอิดฉาเป็นเพื่อนแล้วเขาพูดจาให้ร้ายหวังให้เราได้รับการเกลียดชังดูหมิ่นจากผู้อื่นอีกทั้งยังหมั่นพูดจาให้เราเศร้าหมองเราควรจัดการกับอารมณ์เราอย่างไรดีเจ้าคะอีกทั้งมีวิธีทางทำอย่างไรดีที่จะรับมือกับคนแบบนี้ ก็มีสองวิธีเวลาที่เราได้ยินสิ่งที่เราเอาไม่เจริญหูทำให้เราเกิดอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาก็ใช้การเจริญสติยับยั้งอารมณ์นี้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงคําพูดของเขาพอลืมไปแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปแต่ก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เวลาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ ไม่สนอหูถ้าอยากจะทําอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่แก้อย่างถ้าวลนก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาว่าคําพูดของเขาเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปห้ามไม่ได้เขาเป็นอนัตตาคําพูดของเขานี่เป็นอนัตตาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นคําพูดนี้ก็เป็นอนิจจังเขาพูดแล้วก็หยุดไป อัานที่จังเวลาเขาจะพูดก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาไม่พูดก็สั่งให้เขาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเขาจะพูดดีก็เรื่องของเขาเขาจะพูดไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไปห้ามไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราอย่าไปอยางไม่ให้เขาพูดปล่อยให้เขาพูดให้พอทำตัวเราให้เป็นเหมือนเสา เวลาเป็นสาวนี่เดี๋ยวเขาพูดกับสาวไปสักพักเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองไม่ต้องไปทำอะไรให้ดูเฉยเฉยให้ฟังเฉยเฉยเท่านั้นเองแล้วต่อไปเขาก็จะไม่มาพูดกับเราเพราะเราไม่พูดกับเขาเราทำตัวเป็นสาวปล่อยให้เขาพูดไปเขาจะพูดอะไรก็พูดไปถ้าเราหลบได้ดีกได้ก็หลบไปคนอย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมกัน ก็เรีว่าคนพาลอุตตมะเจ้าส่งสอนว่าถ้าเราพบกับคนที่ดีกว่าเราหรือดีเท่าเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าแต่ถ้าหลีกไม่ได้หลบไม่ได้เพราะมีความเกี่ยวพันกันด้วยกรณีใดก็ตามการงานก็ดีเรื่องการเป็นญาติเป็นอะไรกันก็ดีก็ต้องใช้ปัญญานีาแก้ก็คือพิจารณาว่าเราห้ามเขาไม่ได้ เขาจะพูดดีไม่ดีก็เรื่องของเขาเราอย่าไปอยากให้เขาไม่พูดเพราะความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยให้เขาพูดได้เราจะไม่เดือดร้อน่ข้อต่อไปจากคุณกนกพรไพศาลอัศวเสณีค่ะถามว่าเนื่องจากได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ในซีดีธรมธรมะบนเขาแผนที่สิบตอนที่สิบ สาะอาจารย์เทศว่าการทำอมิสทานจะอุทิศให้แก่เปรตได้บางจาพวกเท่านั้นไม่สามารถอุทิศให้แก่สัตว์ประเภทอื่นนอกจากนั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทุกประเภทดังนั้นดิฉันจึงนำทำไปพิจารณาได้ดังนี้ข้อหนึ่งนะคะผลของการทอาอมิสทานให้แก่เปรตบางจาพวกนั้น ทำให้พวกเขาทั้งหลายผิวพรรณงามและมีเครื่องแต่งกายที่สวยงามมีอาหารบริโภคดังเช่นญาติของพระเจ้าพิมพิสารแสดงว่าผลแห่งทานทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากอากุศลวิบากกจิตของสัตว์ตนนั้นไปเป็นกุศลวิบากกจิตใช่ไหมคะก็เราก็มันแสดงไว้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่เลยที่เขาถามมานี่ก็ก็อ่านมาจากพระไตรปิฎกไม่ใช่ เรามาถามเราทำไมเราไม่เราไม่ได้เป็นคนแต่งพระไตไปดฎกว่ะก็ให้เชื่อแลว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นพระไตรปิฎกก็เชื่อได้นะแต่แล้วก็ข้าสองจากท่านเดิมนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนอธิธรรมเราจะแผ่ส่วนกุศลที่เกิดจากการเจริญสินสมาธิปัญญา เปยังสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสัตว์นรกเช่นพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้ช้างนาราคีรีที่ช้างโกรธเปี้ยวกราดและเปลี่ยนเป็นสงบและหมอบกราบพระพุทธเจ้าสแสดงว่าบุญที่พระพุทธเจ้าแผ่ออกไปทําให้จิตเจตสิก ข, ของช้างเปลี่ยนจากอากุศลวิบากาจิตเป็นกุศลวิบากกจิตแต่ทําไมพระอาจารย์กล่าวว่าบุญที่เกิดจากการเจริญสิ่สมาธิปัญญาไม่สามารถอุทิศให้แก่สัตว์อื่นได้แต่ได้แต่เราคนเดียว ก็มันคนละเรื่องกันบุญที่เกิดจากการภาวนากับความเมตตามันคนละเรื่องกันที่พระพุทธเจ้าทำนั้นท่านแผ่ความเมตตาถ้าไไาา่ไม่ได้แผ่ภาวนาไม่ได้แผ่ศีลสมาธิปัญญาไปให้ช้างท่านแผ่ความเมตตาก็คือท่านแสดงความเป็นมิตรกับช้างท่านไม่ได้แสดงอาการเป็นศัตรูกับช้างช้างก็เลยไม่ทำลายพระพุทธเจ้า มันคนละเรื่องกันอ่านกันล่องมั่วไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอส่วนสมาธินี้แผ่ได้ที่ไหนเงนี้นช้างมันก็เป็นจากช้างมันก็กลายเป็นพรมไปแล้วสิให้มันเป็นถ้าปัญญามันก็เป็นโสดาบันไปเลยไงเป็นเป็นไปได้ที่ไหนเห็นพวกเราก็ไม่ต้องมานั่งภาวนากันให้เหนื่อยยาก รองสมุทรเจ้าแผ่มาแผ่นี่ผานมาเลยแผ่ได้ก็สบายไปแล้วเราก็สบายยมก็สบายเพราะเราไม่ต้องมานั่งปากเปียกปากขี้นะต่อไปเป็นข้อสามนะคะจากท่านเดิมค่ะการแผ่บุญกุศลที่เกิดจากการเจริญศีลสมาธิปัญญา ไปยังสัตว์ทั้งหลายจัดว่าเป็นการแผ่เมตตาหรือกรุณูนาหรือมุทิตาหรืออุเบกขาหรือไม่ใช่ทุกอย่างอ่าไม่ใช่ทุกอย่างล่ะฮะแล้วก็จากท่านเดิมคะ่ะพระอาจารย์ถามว่าได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มีตอนหนึ่งกล่าวว่าถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายนี้เหมือนเราไม่ทุกข์กับรถยนต์ที่เสียเรารู้ว่ามันเสียแต่เราไม่เดือดร้อนกับมันดังนั้นจึงลองพิจารณาเมื่อตอนปวดฟัน แต่ต่อมาก็มีการอักเสบติดเชื้อที่รูฟันที่เนื้อฟันเมื่อเราไปหาหมอฟันทําฟันให้เราใหม่ก็หายปวดแต่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนแล้วพิจารณาอย่างนี้แต่ก็ไม่คลายจากความยึดถือว่าฟันนี้เป็นของของเราแล้วไม่แล้วหายปวดฟันจึงถามว่าอยากให้พระอาจารย์สอนและแนะนําว่าควรพิจารณาอย่างไรจึงจะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้ระดับเวทนาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะทําทได้ ถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีกำลังที่จะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็ยังไม่มีกำลังมันยังรักยังหวงอยู่แต่ถ้ามันมีความสงบนี่มันมีสิ่งที่ดีกว่าร่างกายมันก็จะปล่อยร่างกายได้ความสงบนี้เป็นสิ่งที่มาทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราหวงได้ เส่นตอนนี้รักขวงสามีลองไปภาวนาจิตรวมดูเลยทิ้งผัวทิ้งภรรยาได้เลยเพราะได้ของที่ดีกว่าต อ, อนนี้เรายังไม่มีของที่ดีกว่าคือไม่มีความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบมันก็เลยต้องหาความสุขจากสามีจากภรรยาไปก่อนเราก็เลยต้องหาความสุขจากร่างกายเราไปก่อนพอร่างกายเป็นอะไรเราก็วิตกกังวลวุ่นวายเดือดร้อนอ แต่ถ้าเรามีความสุขแล้วจากความสงบแล้วทีนี้ก็ร่างกายจะเป็นอะไรเราก็เฉยได้ไม่เดือดร้อน mm hmm. นั้นถึงต้องเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วพอพิจารณาว่าร่างกายเป็นทุกข์ก็จะโยนทิ้งเลย <c oughs> ตอนนี้มันพิจารณาว่าเป็นทุกข์แต่ก็ยังอยากจะให้มันอยู่กับเรา <c oughs> ยังอยากจะให้มันให้ความสุขกับเราอยู่ พอไม่ใหความสุขกับเราเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นม า, เ ว, าเวลาเวลาเกิดการเจ็บปวดทางร่างกายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยแต่ผู้ที่ปล่อยวางร่างกายได้แล้วนี้เวลาเกิดการเจ็บป่วยทางร่างกายจะไม่ทุกข์ทางใจพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะท่านไม่มีอุปทานความอยากให้ร่างกายอ่่่ไไมมจไม่เจ็บไม่ปว่วย มันเจ็บมันป่วยท่านก็ไปเจรณาว่ามันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันอยู่กับมันไปร่างกายของเรากับร่างกายของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเวลาปวดฟันก็ปวดเหมือนกันแต่ใจมันไม่เหมือนกันใจเราทุกไปกับการปวดฟันแต่ใจของพระพุทธเจ้าป้าหลานท่านไม่ทุกไปกับการปวดฟันเท่านั้นเองคถามขอนาีิดวแล้วนามีก่ละ ว่าไปให้หมดเลยมีเวลาก็ว่าไปเลยคำถามจากคุณบุญตานะคะเมื่อกายยังทุกข์จะทำให้ใจสงบได้เยื่อไรขอทราบแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะก็เนี่ยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์ต่างๆมันก็จะหมดไปเองต่อไปจากคุณกอ๊อฟนรวิทค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิติดติกันเข้าไปพบความสุขและปิติครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนตกไปอยู่ในกลางหลุมบ่อแต่ไม่รู้สึกว่ามันสุดหรือไม่สุดอย่างไรผมรู้สึกมีความสุขมากๆประครับประคองความสุขนั้นไปเรื่อยๆสุขแบบนี้คิดว่าอาหารเลิศรสช้อปปิง้งดูหนังก็สุขไม่เท่าตอนตกอยู่ในความสุขขณะนั้นคิดไปอย่างนั้นอยากทราบว่าคืออะไร แล้วผมควรทำอย่างไรต่อไปทำไมผมไม่ได้ติดความสุขอันนั้นแทนที่จะทำให้มากขึ้นอีกขอกับเมตาเพราะเราขี้เกียจนะเนี่ยพราะเราคืเเอเ ร, เรื่องที่แบบทำภาวนาแล้วหลับหรือว่าตกภวังแล้วก็หลับไปเลยอะค่ะทางแก้นอกจากให้พุทโธติดติดกันแล้วเนี่ยมันมีทางแก้ทางอื่นก็ ถ, ถ้าหลับเป็นอาจินก็ต้องใช้วิธี เออดอาหารคืออย่างน้อยผู้ปฏิบัติทำนี้ต้องถือศีลแปดจะได้ไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปเช่นไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีถือศีลแปกก็ยังหลับได้ก็ถ้าถูกเจร็ญก็ให้อดอาหารดูถ้าไม่ถูกเจร็ญก็ลองไปอยู่ที่น่ากลัวดูเอไปนั่งภาวนานในป่าช้า ไปนั่งในภาวนาที่มีความรู้สึกว่ามีภัยรอบด้านอย่างครูบาจารย์ที่ท่านแจ้งค์หนึ่งในหนังสือที่หลวงตาท่านเขียนว้ท่านชอบนั่งสับประงกท่านก็เลยไปนั่งที่หน้าเหวถ้ามันสับประงกก็มันก็หัวทิ่มลงเหวไปเลยเออถ้าอย่างนั้นเราไม่ไปสับประโคมนะมันต้องมีมาตรการแก้ไขถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภยนะัยแล้วมันจะนอนใจประมาทนอนใจมันจะไม่มีความภาวะตื่นตัว ไม่มีความระมัดระวังไม่มีความอะไรไม่มีสติพูดง่ายๆพอไม่มีสติมันก็จะหลับง่ายดั <c oughs> ยงนั้นอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่สามารถไปทําสิ่งที่ได้พูดมาได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนอย่านั่งเวลาหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินให้มันหายง่วงก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่เดินถ้าเดินเดินยังหลับให้เดินถอยหลัง แล้ว อ, ออกไปเดินข้างนอกกุฏินอกนอกข้างนอ ก, นอกที่อาจจะมีเอภัยอะไรที่ทํำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาประเด็นถามท่านอาจารย์แดงๆไหน<ม>ใกล้ๆปากอคือมอีลูกโพสต์ธร ร, ร, ร, รมาของท่านอาจารย์ไปเกี่ยวกับความอยากบอกว่าความอยากไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันสั้ น, นๆน่ะค่ะแล้วมีพี่เขาอ่านในเฟซบุก๊กแล้วก็ก็เลยถามมาเขาไม่ใช่คนปฏิบัติเขาถามมาว่าจะฆ่าความอยากได้อย่างไร ก็อยุดอยากนลมันอยากก็ยอยากจะได้อะไรสินั่งนึกสิก็เพราะว่ามันคือต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นที่เราอยากเพราะว่าเพราะเราคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุขมันก็สุขแต่มันเป็นสุขเดียวเดียวเช่นเราอยากไปเที่ยวอย่างนี้เราได้เราก็ไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวเสร็จกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หมดไป แล้วก็เกิดความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่มันก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดที่เรามีอุปสรรคไม่สามารถทำตามความอยากได้เราก็จะทุกข์มากเช่นอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยจองตั๋วไว้แล้วถึงมันจะขึ้นเครื่องอา้าวเป็นไข้หวัดใหญ่ไปไม่ได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือว่าอยากจะไปเพื่อนชวนไปแต่พอดีไม่ว่างติดภารกิจไปไม่ได้หรือไม่มีสตางหรืออะไรทํานองนี้พอทําในสิ่งที่เราอยากทําไม่ได้มันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ใจดังนั้นต้องมองให้เห็นว่าการกระทําตามความอยากนี้นอกจากได้ความสุขแล้วมันก็ได้ความทุกข์ด้วย พอสักวั น, นมันต้องไม่สามารถทำตามความอยากได้และความอยากนี้มันก็จะไม่หยุดไปด้วยการทำตามความอยากทำตามความอยากนี้แล้วมันก็จะมีความอยากใหม่มาทดแทนที่แล้วมันก็ต้องไปเจอวันที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากนั้นได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็อาจจะหยุดความอยาก บ, าบังคับตัวเอง แล้วความอยากอย่างอื่นมันก็มีโทษตามมาเช่นถ้าเราอยากรับประทานรับประทานมากเกินไปเดี๋ยวก็เกิดภาวะน้ำหนักเกินเกิดโรคต่างๆขึ้นมาอันนี้เวลากินไม่ได้ตามความอยากก็จะทุกข์แล้วมันต้องรู้จักควบคุมความอยากอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยหรือว่าถ้าหยุดมันได้ยิ่งดี แต่จะหยุดได้จริงๆนี้มันต้องมีพลังคือต้องมีสมาธิเท่านั้นต้องมีความสุขที่เหนือกว่ามาทดแทนความสุขที่เราได้รับจากการกระทําความอยากถ้าเรานั่งสมาธิจิตรวมอย่างที่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังมีความสุขมากก็จะไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปดูไปฟังไม่อยากจะไปดื่มไปรับประทานอะไรถ้าจะดื่มจะรับประทานก็เป็นเหมือนกับจําเป็นต้องดื่มต้องรับประทานเช่น เพื่อร่างกายเวลาร่างกายถึงเวลาต้องให้อาหารให้น้ํากับร่างกายก็ให้ไปเหมือนกับให้อยู่ให้ยาไปแต่ไม่ได้เกิดความอยากจะรับประทานหรืออยากจะดื่มเพื่อให้เกิดความสุขใจเพราะใจมีความสุขที่เหนือกว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก็คือความสุขทดแทนถ้าเรามีความสุขทดแทนแล้วเราจะละความสุขต่างๆที่เกิดจากความอยากได้หมด ก็จะได้คาตอบแล้วน ะ, นะคามสุดเคือความสงบเาว่ามันมันใจยากจะต้องมีฐานสมาธิอะไรไปแล้วก็มีความสุขทแทนนี่เกิดจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบการที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องฝึกเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องมีใครอยากถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะ ปิดประชุมขาะประทานเคาะโป้งก็ขอให้เอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอานั Turn.